หลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรดับขันปณิญญานไปเนี่ยนะพร้อมทั้งสาวกก็หมดพระพุทธศาสนาพระองค์หนึ่งเนี่ยนะเสร็จแล้ววันเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งอสงไข่เสะหนึ่งอสศงไข่พอดีจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกองค์หนึ่งชื่อว่าพระพุทธเจ้านามวโกณทัญยะท่านก็ได้บำเพ็ญไปบำเพ็ญบุญกุศลกับพระพุทธเจ้าพระนามวโกณทัญยะอีกก็ได้รับพุทธภรรยกรอีกเป็นรอบที่สองเนี่ยนะ วันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งอสงไขยเดี๋ยนะของเรานี่รวบรัดสวายมากหนึ่งอสงไขยหายใจไม่ทันเลยแป๊บเดียวก็เลยผ่านไปหนึ่งอสงไขยก็ถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ามงคลเนี่ยนะมังคละพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีรัศมีอ่านะกว้างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยรัศมีเป็นเป็นจักรวาลเลยเป็นผู้ที่มีรัศมีที่ออกจากพระกายไม่มีที่สิ้นสุด ะสะรุปว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นได้รับพุทธภยากรจากพระพุทธเจ้าทั้งหมด24พระองค์ด้วยกันเนี่ยนะองค์แรกก็พระนาวัตถีปังกรองค์ที่สองกูรัญญะองค์ที่3ามมังคละไล่ามาอย่างนี้นะเรื่อยมาจนถึงอะไรเรวตาอโนมาทศีปิยะทศีอัธาทศีเนี่ยไล่ามาจนถึงพระพุทธเจ้าพนาวา่าปทุมุตระเนี่ยนะเมื่อแสนกลับที่แล้วก็ปทุมุตระก็ถอยหลองลงมาเรื่อยๆอย่างเนี้น มาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธสวิปั ส, สีสิกีเวสภูกะกูสันโทโกนาขมโนกัสสะเนี่ยก็ไล่ามาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะแล้วก็บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนับไม่ได้ว่าไอ้ที่ทาไปนี้ทาไปเท่าไหร่บางคัก็บำเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้นในระหว่างเนี่ยนะท่านให้ทานทานเนี่ยท่านจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนนะ ที่ที่ ท, ท, ที่ที่มีให้ให้ให้ได้อะนะที่เรียกว่ามีวัตถุที่ให้ได้ก็ให้หมดเลยไม่มีเหลือศีลก็รักษาเสมอด้วยชีวิตอย่างถ้าใครอ่านจริยาปิฎกนะคัมภีร์จริยาปิฎกจริยาปิฎกนั้นพูดถึงการบําเพ็ญบารมีเฉพาะในกับนี้กับเดียวอะ น, นะในบรรดากับที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยยกมากับเดียวเป็นตัวอย่างว่านี่นะหนึ่งในจํานวนตัวอย่างที่ท่านบําเพญ็ญบำเพ็ญบุญมาจึงได้บรรลุเป็น พระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าดูในคัมภี์อัปทานอีกจะเห็นว่าโอ้ชาติที่เป็นพระเจ้าติโลกวิชัยจักรพรรดิเนี่ยนะเป็นจักรพรรดิที่ทาบุญมากอีกเหมือนกันเนี่ยนะทำบุญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะ น, นะมั น, นสรุปว่าบําเพ็ญบารมีมาเป็นอย่างมากในสมัยพระพุทธเจ้าอย่างอย่างองค์ที่ยี่สิบสี่คือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะไปเนี่ย ถามว่าท่านก็มาเกิดเหมือนกันถามว่าท่านเป็นอะไรเป็นโชติปาลมานพเนี่ยนะเป็นโชติปาระมานพเป็นคนเกิดในวันณะสูงเนี่ยนะตอนหลังก็ออกมีศรัทธาออกบวชพอออกบวชก็ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะได้อภิน ญ, ญาหสมาบัติ8ดอีกเหมือนกันเยทรงพระไตรปิฎกทํางานพระศาสนามากแต่ว่าท่านถ้าตาดูตามนั้นอ่ะนะไม่ทราบว่าท่านไปเกิดเป็นพรหมนานหรือไม่แต่ว่าหลังจากนั้นก็มาเกิดเป็นเท้าสั ก, กัดเนี่ยนะ ตอนที่เป็นเท้าสกะเนี่ยมาช่วยพระศาสนาอยู่ตอนนั้นเนี่ยปลายปลายศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะปลายปลายศาสนาก็เละเทะเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆกับของเราช่วงนี้แหละแต่ว่านั้นเท้าสกะท่านก็ลงมาแก้ไขเนี่ยนะดูในการหาชาดกนี่กล่าวไว้อย่างนั้นเนี่ยนะทีนี้หลังจาก พระพุทธเจ้านั้นก็ผ่านไปนะท่านก็เกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นพรหมบ้างเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างก็สลับนะจากพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วมาจนถึงองค์ปัจจุบันอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยจนมีอยู่ชาติหนึ่งท่านก็เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอ่ะนะจุติจากดาวดึงแหละมาเกิดเป็นพระเวสสันดรนีนะจุติจากพระเวสสันดรก็เกิดในดุสิตเนีนะจุติจากดุสิตก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ พิเศษอย่างหนึ่งนะก่อนที่จะจุติจากดุสิตนั้นอนะ่ะมีเทวดาเนี่ยนะเป็นหมื่นโลกธาตุมาอาราธนาก่อนนะอาราธนาว่ากาลนี้เป็นกาลที่สมควรเลยนะที่ที่ท่านอ่าจะได้ลงไปตรัสรู้เพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านนี้บำเพ็ญบารมีไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นพรหมไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นมารไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นท้าสักกะ แต่ท่านปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้ได้การที่สมควรเน้นนะเนื่องจากว่ามีบุพนิมิตเกิดขึ้นแล้วว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาก็มาราตนากันพรมกับเทวดามาราตนาเสร็จแล้วท่านก็พิจารณาดูเลยว่ากาลนี้สมควรไหมที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าว่าดูการก่อนพอตรวจดูการก็เห็นโอ้ใช้ได้มนุษย์ไม่เกินแสนปีแล้วก็ไม่ต่ำกว่าร้อยปีสมัยนั้นร้อยปีพอดีอะนะได้เงื่อนไขข้อที่หนึ่ง ข้อที่2ก็ดูไปอีกว่าจะไปปฏิสนธิเกิดที่ไหนเนี่ยนะก็อาดูว่าเกิดในชมพูทวีปทีนี้ก็ไล่ตรงไปอีกว่าเกิดในในตระกูลไหนก็เห็นนะตระกูลกษัตริย์ก็ดูว่าตอนนี้อายุของแม่เหลือเท่าไหร่เนี่ยนะแม่ตอนนี้อายุนะว่าจะไปเกิดกับใครนะเกิดกับนางกษัตริย์แล้วแม่อายุเท่าไหร่ก็อายุสิเดือนกับอีกเจวันเนี่ยนะแม่เหลืออายุเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ อธิฐานก็จุติเลยก็มาเกิดในครันมารดาเพราะฉะนั้นท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านเกิดคลอดมาปั๊บหลังอย่างนั้นเจ็วันแม่ก็ตายรู้ตั้งแต่อยู่เป็นเทวดาแล้วเนี่ยนะถามว่าทำไมทําไมแม่จะต้องตายระหว่างที่พระโพธิสัตว์มีอายุเท่านั้นบอกว่าเพราะว่าที่ที่พระโพธิสัตว์อยู่ในครันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเจดีคนอื่นจะไปใช้สอยร่วมอีกไม่ได้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเจดีเหมางนกัน นั้นแม่ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่า ง, งั้นเถอะธรรมดานะสิ่งที่เป็นธรรมดาเนี่ยมีหลายเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตานี้ก็ธรรมดาใช่ไหมธรรมดาอีกเหมือนกันว่าแม่พระโพธิสัตว์ต้องตายหลังจากประสูติเจ็ดวันอันนี้เรื่องธรรมดานะนะพอหลังจากประสูติเนี่ยนะเจ็ดวันพอแม่ตาย เหตุการณ์ที่น่าสังเกตอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือตอนที่พระองค์จุติจากดุสิทธตมาเกิดในคันเนี่ยนะอันนั้นหมื่นโลกาธาตุก็หวั่นไหวกับชาติเขตเนี่ยนะหมื่นโลกาธาตุก็หวั่นไหวพออยู่ในคันพอคลอดออกมาเนี่ยนะหมื่นโลกาธาตุก็หวั่นไหวเนี่ยนะคลอดที่ไหนที่สวนลุมพิณีวันประเทศตอนนี้ก็นนเนปาลน ะ, ะท่านที่ที่นั้นก็เป็นที่ประสูตรเนี่ยนะที่ตรงนั้นเนี่ยพอประสูตรก็แผ่นดินไหว สังเกตดูนะภาพที่ที่เนปาลตอนนี้ก็ยังทําอยู่คือท่านชี้มือขึ้นฟ้าเลยนะเป็นเป็นเด็กที่คลอดมาก็ชี้มือขึ้นฟ้าเนี่ยนะที่กล่าวว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้การเกิดในพบใหม่ของเราไม่มีเนี่ยนะทีนี้พอที่พระองค์ประเสริฐก็ครองคารวาสวิสัยอยู่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าปีนะ วันที่พระราหุลประสูตธ์ก็ออกบวชบอกมีเงื่อนไขพิเศษอย่างหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์ต้องเห็นหน้าลูกทุกองจึงจะได้ออกบวชนะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระโพธิสัตว์ท่านก็คือมนุษย์เหมือนเราที่มีจิตใจมีอะไรทุกอย่างเหมือนกับเราแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่บาเพ็ญความเพียรอย่างมากนะเป็นผู้ที่มีบาเพ็ญเพียรเพราะฉะนั้นท่านเห็นลูกท่านก็รักลูกเหมือนกัน มันแต่ท่านก็ตัดใจแล้วก็ออกบวชเนี่ยนะพอออกบวชบาเพ็ญทุกระกิริยาอยู่6ปีก็ได้บรรลุเป็นพระไอที่ที่บรรลุไม่ใช่เพราะทําทุกระกิริยานะแต่ว่าอินทรีย์แก่กล้าพระองค์ก็เลยหันไปบําเพ็ญเรื่องร่างกายให้เหมาะสมที่เรียกว่าได้ร่างกายส ป, ปายะอิริยาบถส ป, ปายะเป็นต้นก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สวยวิมุตติสุข สรุปว่ารอบๆต้นพระศรีมหาโพลอยู่บริเวณนั้น7สัปดาห์ด้วยกันเนี่ยนะแต่แถวพุทธคยานะพระ อ, องค์อยู่แถวนั้นอยู่7สัปดาห์นะเช่นสัปดาห์ที่หนึ่งก็นั่งเสวยวิมุตติสุขบนแท่นวชิระอาสน์เนี่ยนะนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ตรงนั้น7วันหลังจากนั้นก็พอพ้น7วันก็แสดงยมกกาปาฏิหารเพราะเทวดาเขาสงสัยว่าเอ๊ะจะนั่งสแสวงหามรทผลอย่างอื่นอีกมั้งเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็เลยแสดงยมกกาปาฏิหารเพื่อตัดความสงสัย หลังจากนั้นพระองค์ก็เดินไปไกลตรงนั้นอีกหน่อยนะเพื่อที่จะไปยืนดู น, นะไกลพอสมควรนะยืนดูแท่นวัชระอาจที่บำเพ็ญบารมีตั้งสี่อสงไขามาสถานที่ตรงนี้ทําให้บรรลุก็เลยดูโดยไม่กระพริบตาเรียกว่าอนิมิตสเจดีเนี่ยนะดูแบบไม่กระพริบตาดูอยู่เจ็ดวันเสร็จแล้วก็ระหว่างนั้นพระ อ, องค์ก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาอีกเจ็ดวันเนี่ยนะนะบริเวณะนะนั้นพุทธคยานี่ยนะ แล้วก็พระองค์ก็สวยวิมุตติสุขอยู่ในในบริเวณรอบๆนั้นพร้อมกับการพิจารณาธรรมเนี่ยนะพอสัปดาห์ที่ที่8เนี่ยนะพอผ่านไปเจ็ดสัปดาห์สัปดาห์ที่8ก็ออกจากเข้าเข้าสมาบัตพิพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเสร็จแล้วก็ปารพที่จะไม่แสดงธรรมเนี่ยนะปารบที่จะไม่แสดงธรรมว่าธรรมะที่เราตรัสรู้นี้เป็นธรรมะที่ ที่ลึกซึ้งยิ่งนักใช่ไหมถ้าหากว่าเราสอนเข้าไปนะเขาก็ไม่รู้มันก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราเพราะว่าเขาเนี่ยมัวแต่เพลิดเพลินในเรื่องการมาคุณหา่าธรรมะที่เราตรัสรู้ก่อลึกซึ้งแต่เขาไม่รู้เหนื่อยแน่เหมือนกันฉนั้นพรมก็เลยก็บอกว่าโรกชิพาแน่นั้นเขาก็เลยมาพรมก็มาทูลอาราธนาใช่ไหมปกติคุณชูศรีจะพาว่าพรมมาจริญกาทิปติตอนนี้ก็ลดแต่เยอะแล้วนะอาอราธนาครั้งเดียวพอและใช้ได้ทั้งวันดางี้ว่า นะนะแล้วก็พรมก็เลยมาอาราธนาที่บอกว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจําพวกที่มีทุลีในจักสุเนี่ยมีน้อยมีอยู่หมายถึงว่าคนกิเลสน้อยๆ อ, ยอย่มีนะถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาจะเสื่อมนะถ้าเขาได้ฟังเขาจะรู้ทั่วถึงเนีอริยสัตว์นี้เขารู้ได้นะเนี่ยนะแต่ว่าพระอง์ก็ พิจารณาถึงคําอาราธนาของพรมอาศัยภาพมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีอยู่ต่อสรรพสัตว์ก็ตรวจดูอัธยาศัยเพุทธสัตว์ทั้งหมดพอตรวจดูเสร็จพระองค์ก็รับอาราธนาพอรับอาราธนาพระองค์ก็มาพิจารณาจะไปโปรดใครเป็นคนแรกก่อนควรจะโปรดใครก็พิจารณาเอออาราะดาบทอุตกะดาบทนี้เป็นคนที่กิเลสน้อยมานานเนี่ยนะ เพราะไรเพราะว่าด้วยกําลังสมาบัติเนี่ยนะกิเลสไม่ได้เกิดเลยในเรา ท, ที่ท่านได้สมาบัติเนี่ยกิเลสน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านเหล่านี้นะฟังธรรมไม่นานบรรลุเทวดามาบอกอาราธดาบทายไปแล้วเมื่อ7วันอุทกาดาบทึ่งตายเมื่อคือนนี้เพราะฉะนั้นก็บอกโอ้เสื่อมจากคุณใหญ่แล้วหนอเนี่ยนะถ้ารออีกสัก7วันหรือรออีกวันเดียวเนี่ยนะพวกเหล่านี้ก็จะบรรลุง่ายมากแต่ว่านนไปเกิดเป็นอรู ป, ปภพเนี่ยนะเจ้า16 0,000 กับอีกเจ้า18ึ0งแนสีันกับก็รอไป ก็เขาโกรดไม่ได้แล้วทีนี้ก็พิจารณาถึงพระปัญจวัคคีใช่ไหมก็ตรวจจะไปแสดงทําให้ปัญจวัคคีฟังก็เลยประกาศธรรมจักกับปวัตตนสูตรไงสูตรแรกที่พระ อ, องค์แสดงก็แสดงอะไรสรุปธรรมจักกับปวัตตนสูตรก็แสดงทุกสมุทัยนิโรธกับมักว่าหนทางอื่นเพื่อที่จะให้บรรลุไม่มีนอกจากการบรรลุอริยสัจแต่การจะบรรลุอริยสัจได้ต้องบรรลุด้วยมักมีองค์8นะ นะก็คือบรรลุด้วยข้อปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็จะบรรลุได้หลังจากที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะแสดงธรรมมาจากกัปวัตตนสูตรจบพระัญญาโกณทัญญะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันที่เรียกว่าได้ธรรมาจากสุพร้มอีก18โกรธก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงสงเคราะห์ปัญจวัคคีให้ได้บรรลุโสดาปติผลวัลโองค์วัลโองค์งงไปเรื่อยจนถึง ห้าคาก็แสดงอนัตตลักษณะสูตรก็บรลุกันหมดเลยเนี่ยนะบรุเป็นพระอรหันต์ก็อยู่จำพรรษาด้วยกันพอออกพรรษาก็โปรดยะกุลบุตรเนี่ยนะพร้อมกับพ่อแม่และภริยาของพยสะแล้วก็แสดงคำให้เพื่อนพยะอีก55ท่านเนี่ยนะบรุหลังจากนั้นพระองค์ก็ประกาศสาวกไปประกาศศาสนาพระองค์เมื่อประกาศศาสนาพระองค์ก็สงเคราะห์กลุ่มพัทธวัคคีอีก30รูปที่ไร่ฝ้าเนี่ยนะ หลังจากนั้นก็ไปทรมานอุรุเวลกัสปะนาธีกัสปะขยากัสปะสามพี่น้องกับบริวารร่วมพันหนึ่งเนี่ยนะด้วยแสดงปาฏิหาร 3, ิสามพันก็กลุ่มเหล่านั้นบรรลุด้วยธรรมเทศนาชื่อว่าอาทิตตะปริยัสูตรทีนี้พระ อ, องค์ก็ระ ล, ลึกถึงพระเจ้าพิมพิสารจะไปเปลื้องคําปฏิญญาว่าถ้าตรัสรู้แล้วจะมาโปรดที่แว่นแหวนของพระเจ้าพิมพิสารก่อนพระ อ, องค์ก็ไปที่เมืองราชเครกก็แสดงธรรมเนี่ยนะ แสดงทำให้พระเจ้าพิมพิสารกับบริษัทฟังเนี่ยนะด้วยเรื่องว่าพรมนารทกัสปะชาดกก็เป็นหนึ่งในมหาชาติเหมือนกันเนี่ยนะประเทศมหาชาติกันแรกให้ให้พระเจ้าพิมพิสารฟังก่อนนั้นพร้อมกับบริษัทที่เรียกว่าพรมนารทกัสปะชาดกที่พูดถึงแก่มิจฉาทิฐิเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าทําไมจึงปราบไอ้มิจฉาทิฐิของ เฉดิน3มพี่น้องได้ซึ่งเป็นเรื่องอยากมากพองก็แสดงพรหมนารทกาัสปะชาดกว่าแก้มาแล้วว่างั้นน่ยไม่ใช่มาแก้ชาตินี้นะดีตชาติก็ไปแก้มาแล้วเหมือนกันก็แสดงทำพระเจ้าพิมพิสารกับบริษัท11ณเหดก็บรรลุปเป็นพระโสดาบันแล้วก็อีกหมื่นหนึ่งเนี่ยนะหนหดหนึ่งแปลว่าหมื่นงั้น11 0 0 0็ื่นนี้บรรลุปเป็นพระโสดาบันที่เหลืออีก1 0,000 ื่นก็ถึงไตรสารณาคมหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ถวาย วัดเวลุวันเนี่ยนะถวายวัดเวลุวันพอตอนที่พระ อ, องค์อยู่วัดเวลุวันก็ภาษาบุตรกับพระโมกขลานะก็ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะก็ออกบวชในพระศาสนาพระเจ้าสุโธธนะนี้ฟังข่าวลูกชายอยู่ตลอดเลยไปยังไงนะลูกตอนนี้ทำอะไรายอยู่นะจะมีคนมารายงานเป็นระยะ แล้วก็จะมีเทวดาบางพวกมาบอกตลอดว่าตอนนี้บุตรของพระองค์เป็นเช่นนี้นะเป็นเช่นนี้บางช่วงที่ทรมานสลบล้มลงน ะ, ะเทวดามาบอกเลยว่าตอนนี้บุตรพระองค์ตายแล้วพระเจ้าค่ะบอกไม่เชื่อลูกเราทําไมบรรลุไม่ตายเหมืนกันเนะี่ยนะก็จะมีมารายงานเป็นระยะระยะทีนี้ไ อ, อ, อ้กลุ่มเจ้าน้ําตาหลังก็คือเนี่ยพนางยโสธราพิมพาได้เขา ว, ว่าพระโพธิสัตว์กินมือเดียวนางก็เอามั่งมือเดียว เ, นะเขาก็ทุบอยู่ที่วังเหมือนกัน เนียนะเขาก็ทางโน้นในข่าววา่าเขาไม่ได้นอนบนที่นอนดีแล้วนะนอนกับพื้นนางก็นอนกับพื้นบ้างเนี่ยนะก็ก็อยู่อย่างนั้นนะเนีเสร็จแล้วพระองค์ก็คิดถึงลูกตลอดเนี่ยนะนึกถึงพระพระพระพุทธเจ้านะคือสิท ธ, ธะเนี่ยนะก็คิดถึงลูกเอ๊ะทำยังไงนะเราที่ตอนนี้ก็แก่มากแล้วลูกไม่ไมาเยี่ยมทันทีเลยเพราะงั้นก็เลยคิดถึงลูก พระเจ้าสุธโธธนะนะคิดถึงเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคิดถึงลูกมากไอเราถ้าเกิดตายก่อนนะก็พระเจ้าสุธโธธนะเนี่ยนะมีมีลูกคือเจ้าชายสิทธัตถะนี้อายุไม่น้อยกว่าสี่สิบปีเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นนี่อายุเท่าไหร่พระพุทธเจ้าอายุสาิบ้าใช่ไหมตอนนั้นอายุสาิห้าพระเจ้าสุธโทธทนะก็ร่วมเจ็สิบแล้วเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็โหเราไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งหรือเปล่าไม่รู้ลูกก็ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยก็คิดถึงลูกมากทํำยังไงดีนะก็เลยส่งอํามาตว่าตอนนี้พระ อ, องค์อยู่ที่เมืองราชคฤกแล้วก็ส่งอํามาตะไปเลยหนึ่งคนกับทหารพันหนึ่งไปนิมนต์ท่านกลับทีว่าพ่ออยากเห็นอํามาตะก็ไปเลยกับบริวารไปถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็กําลังฟังแสดงธรรมอยู่นะอมาตะกับทหารก็ไปยืนฟังทางอยู่ท้ายบริษัทฟังแล้วบรรลุหมดเลย ก็เลยพอบรรลุเป็นพระอารหันแล้วก็ชั้นไม่ได้เป็นทหารเลยนะชันเป็นพระภิกษุแล้วนี่ก็ไม่ได้ทําพระราชาบอกก็บอกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นอมาตะแล้วก็เลยบวชเป็นอ่านะก็ส่งไปอย่างเงี้ยไปเรื่อ ย, ยนะไม่เห็นมาสักทีก็ส่งไปเรื่อยอีกส่งไปเก้าชุดบรรลุหมดเลยเนี่ยนะก็เท่ากับเก้าพันแล้วก็เอ๊ะทหารนี่ไม่มีใครรักเราสักคนเลยอมาตะไม่มีใครรักเราสักคนเลยก็ขีดถึงกาลุทายีอมตะที่เป็นสหาชาติของ พระพุทธเจ้าของเราอะนะสหาชาติมีอยู่เจ็ดท่านนะหนึ่งก็พนางยะโสธราพิมพาสองก็นายฉันนามาตเนี่ยนะสามก็กาลุทายีอามาตพระอนน์เนี่ยนะแล้วก็ม้าคันตะกะต้นโพเนี่ยนะต้นต้นอัศทถพฤกเนี่ยนะต้นโพแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือขุมทรัพย์สี่ขุมเนี่ยนะนั่นก็เรียกว่าเป็นสหาชาติ แล้วก็เอ๊ะนึกถึงการุธาเยอมากนี่แหละ ก, ก็เรียกมาปรึกษาว่าพ่อเนี่ยอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นไปไปเชิญให้ลูกเรากลับมาเถอะเราจะเห็นหน้าลูกเราเนี่ยนะการุธาเยอมากก็บอกว่าถ้าหากว่าให้บวชในนี้ทําได้ก็บอกว่าจะบวชจะทําอะไรก็ช่างเถอะขอให้ได้นําลูกมากัเป็นอันใช้ได้อย่างนั้นอยากเห็นลูกอย่างเดียวจะบวชก็บวชไปนะก็การุธาเยอมากก็ไป ไปเพื่อที่จะฟังธรรมไปก็ไปยืนท้ายบริษัทฟังธรรมก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์เหมือนกันบรรลุเป็นผ้าอรหันต์ก็ดูรอดูวันเวลาผ่านไปจนถึงใบไม้พริดนี่นะระดูใบไม้ผลิตที่ใบแถวใดช่วงมีนาแนะถวนั้นจะเป็นใบไม้ my, มันจะผลิเต็มที่นะที่ร่วงใบร่วงหมดเสร็จแล้วก็ใบพริดนี่นะมันก็สงบร่มเย็นสองข้างทางจะร่มรื่นมากตอนนั้นก็เลยอาราธนาให้พระพุทธเจ้านี้ ไปสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะสงเคราะห์ญาติพระ อ, องค์ก็รับรับเนี่ยนะก็เดินทางจากเมืองราชครึกไปเมืองกระบิลพัฒเนี่ยใช้เวลาสองเดือนพระหนทางนี่60โยชนยย์เดินทางวัลยโยชน์วัลยโยชน์ก็เดินทางวันละ16กิโลเมตรเนี่ยนะวันละสกิโลเมตรสกิโลเมตรเดินทางสองเดือนถึงแต่ในระหว่างทางนั้นพระกาลุทายีอามาตย์นี่ก็จะ ไปเอาอาหารที่วังพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยมาถวายพระพุทธเจ้าชันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเพราะฉะนั้นพระการุทายีก็เลยเป็นเอตทคฆะด้านว่าทําตระกูลให้เลื่อมใสไม่ใช่ตระกูลอื่นเนาะก็คือตระกูลศักยะนั่นแหละคือทําศักยะตระกูลให้เลื่อมใสเลยได้เป็นเอตทะคะพระพุทธเจ้านี้ตอนที่เสด็จจากเมืองราชครืกเนี่ยพร้อมด้วยภิกษุสองสองหมื่ถามว่าสอง0 0ื่นเนี่ยกลุ่มไหนบ้างก็คือกลุ่มชาวมคตเนี่ยหนะมื่นหนึ่งะมคต แล้วก็กลุ่มกบิลพัทอีกหมือนหนึ่งเนี่ยนะคิดว่าตอนนั้นเนี่ยคงแสดงปรายนาวัครและปรายนาสูตรเนี่ยคงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุติด ต, ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมากสองมืนรูปไปก็เสด็จไปถึงเมืองอกบิลพัททีนี้พอไปถึงเมืองกบิลพัทแล้วพวกญาติคือเจ้าสักยะทั้งหลายก็มาปรึกษากันว่าจะให้พระ อ, องค์เนี่ยประทับอยู่ที่ไหนเนี่ยนะก็ เนื่องจากว่าเป็นนักบวชแล้วใช่ไหมเป็นพระพิสุจะไปจัดโรงแรมให้อยู่ได้ยังไงก็เลยก็ต้องหาสถานที่ที่ให้อยู่ตรงไหนเนาะสมควรก็เห็นสวนของเจ้านิโครธสักยะนิโครธเนี่ยนะมีมีสวนใสอยู่ที่หนึ่งว่างั้นเถอะที่ตรงนี้เหมาะมากนนก็เลยเจ้านิโครธก็มอบถวายให้ก็เลยสร้างที่พักที่สวนนิโครธเนี่ยนะตอนหลังก็เป็นวัดชื่อว่านิโครตารามเนี่ยนะ นีโครดนี่แปลว่าต้นไทนะนะก็คือวัดไซนั่นเองนะวัดไซงามก็ได้นี่เาเรียกว่าวัดไซก็มีแต่ต้นไซเยอะทีนี้พอพระองค์ไปถึงก็ศักยะทั้งหลายก็มารับเสด็จกันทีนี้ในระหว่างที่มารับเสด็จเนี่ยนะก็ต่างก็ถือดอกไม้ข้องหอมเป็นต้นมาเพื่อที่จะรับเสด็จพระพุทธเจา้าแล้วก็นำเสด็จพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะกลับที่ส่สงไปพักที่วัด นิโครธารามทีนี้ไอ้วิธีการต้อนรับเนี่ยนะเนื่องจากสายสักยะเนี่ยมีมานะมากเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไหว้การตามลำดับนะจะไปไหว้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้เขาถือมากเรื่องชาติเรื่องตระกูลเรื่องศัก์รีเนี่ยนะเขาถือเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่งพวกเด็กๆชาวเมืองนี่ส่งไปก่อนเนี่ยนะกุมารีกุมาริกาทั้งหลายกุมารส่งพวกเด็กๆ เ, กเกนี่ยไป หลังจากนั้นก็ส่งพวกราชกุมารเนี่ยนะคือส่งเด็กชาวเมืองเนี่ยก่อนแล้วก็พวกราชกุมารไปก่อนคือพวกเด็กวัยรุ่นน่ะนะส่งส่งส่งไปเป็นลําดับเสร็จแล้วพวกฝ่ายสักยะอันนี้ก็เขาก็จะแอบซ่อนอยู่ในเป็นช่องว่างช่องว่างช่องว่างอันนะทีนี้พอไปถึงเจ้าสักยะเหล่านั้นเขาถือตัวว่าสิทธะนี้เป็นน้องบ้าง เป็นล้านบ้างเราเนี่ยเป็นลุงเขานะเราเนี่เป็นอาเขานะอย่างเงี้ยนะโดยศักแล้วเราเป็นอาเป็นพี่ศัิริาธาเป็นน้องเป็นล้านก็มาคีดอย่างงี้เข้าก็เลยกล่าวกับพวกไอรา ช, ชกุ ม, มารพวกไหนที่อายุต่ํากว่าสาสิบห้านะพวกที่ต่ํากว่าสาสิบห้าจะให้ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าให้หมดเลยเสร็จแล้วพวกสักรยะเหล่านั้นเนี่ยที่มีอายุเกินสามสิบห้าไปเนี่ยพวกนี้ไม่ไหวละก็นั่งนิ่งทีนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รู้อัธยาศัยของพวกเจ้าสักยะซึ่งมีมานะแก่กล้าขนาดนั้นพระองค์ก็เลยคิดว่าพระญาติทั้งหลายนี้ไม่ไหายเราเอาเถิดเนี่ยนะเราทั้งหลายจักยังให้พระญาติเหล่านั้นไหว้ก็เลยดํำริอย่างนั้นก็เลยเข้าจะตุทชาญเนี่ยนะอันเป็นบาศของอภิน ญ, ญาจําเดิมแต่นั้นก็เหาะขึ้นสู่อากาศเหมือนกับปโปรยทุลีเนี่ยลงบนเสียงของพระญาติทั้งหลายจริงๆแล้วฝุ่นไม่ได้ติด ติดพระบาทของพระ อ, องค์หรอกแต่พระ อ, องค์นี่เหาะข้ามหัวไปมันก็เหมือนกับว่าฝุ่นเนี่ยโรยเปื้อนหมดอ่ะนะก็เลยทําปาฏิหาริเรียกว่าทําย ม, มะกะปาฏิหารกันนะพอเหาะขึ้นไปปะพระ อ, องค์ก็เนรมิตที่เรียกว่ารัตนจงกรมเนี่ยก่อนเนี่ยนะขอบจักรวาลอีกฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะเอาเขาสิเนรุมาทําเป็นที่เรียกว่าเสาจงกรมอ่ะแล้วก็เนรมิตรัตนจงกรมที่เรียกว่าทำเปิดโลกเนี่ยนะ พันธารายละเอียดอย่างกว้างขวางในส่วนตรงนั้นก็ดูได้ในพุทธวงศ์กับจริยาปิดกแต่แสดงไว้ละเอียดพอสมควรคือตอนที่แสดงยมกกะปาติหารด้วยทำรัตนจงกรมเนี่ยนะแสดงหลังจากนั้นระหว่างที่อยู่รัตนจงกรมเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงคัมภี์พุทธวงศ์กับแสดงจริยาปิดกเนี่ยนะพูดถึงว่าอภินิหารของพระพุทธเจ้าฤทธิ์ของพระพุทธเจ้ากําลังของพระพุทธเจ้าก็ประกาศคือแสดงพุทธวงศ์กับจริยาปิดก หลังจากนั้นพระองค์ก็ล ง, ลงจากรัตนจงกลมมาเนี่ยนะก็ประทับนั่งพักใหญ่ทีนี้พระเจ้าสุดโทธนะพอทอดพระเนตรเห็นเป็นอัศจรรย์โอหพระเจ้าสุดโทนะผู้เป็นพ่อเ น, นี่ยอัศจรรย์ใจมากก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเมื่อวันพระองค์ประสูต่พวกพี่เลี้ยงเชิญพระองค์เนี่ยเข้าไปใกล้เพื่อจะนมัสการชดินชื่อว่ากาลเทวะเนี่ยนะก็คือการเทวินเนี่ยนะ ข้าพระองค์ก็ได้เห็นพระบาททั้งสองของพระองค์เนี่ยกลับไปตั้งอยู่ณศีรษะแห่งพราหมณ์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ก็ได้กราบพระองค์นี้เป็นกราบการกราบของข้าพระองค์ครั้งที่1เนี่ย น, นะเรียกว่าจะเอามาให้ไหว้ฤๅษีสไน่ห์เท้าไปเหยียบบนหัวฤๅษีก็เลยฤๅษีก็ต้องไหว้แทนเพราะฉะนั้นพ่อเห็นอย่างนั้นพ่อก็เลยไหว้อะนะคือกราบจริงๆนะเรียกว่าการกราบลูกครั้งที่แรกงั้น เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นตอนอายุประมาณเจดขวบในวันวัปปะมงคลคือวันมงคลแรกนาขวัญเนี่ยนะที่ที่กปกตินะที่ในหลวงไทนาเองน่ะนะประมาณนี้ไทนาก็เป็นเอาเลิกเฉยๆหรอเสร็จแล้วก็เขาก็กั้นม่านวิสูจนี่กั้นม่านรอบต้นว่าเนี่ยนะให้ให้พระกุมารเนี่ยนั่งพระกุมาร น, นี่พวกพวกสนมพวกพี่เลี้ยงทั้งหลายแหละ ไม่ได้ดูมัวแต่ไปดูแรกนาขวัญอยู่นิ่งๆก็เลยนั่งเข้าปฐมฌ า, านเนี่ยนะนั่งเจริญอาณาปานาสติได้ฌานเลยทีนี้เงาว่าเนี่ยมันควรบ่ายแล้วมันควรจะคล้อยเงามันก็ไม่คล้อยเงาก็ตั้งอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นสนมทั้งหลายที่พวกพี่เลี้ยงนางนมเนี่ยนะพอมาดูเข้าอ้าวโอ้อาศาจารย์มากไปกราบทูลให้พระเจ้าสุโทธทนะรู้พระเจ้าสุโทธทนะพอมาเห็นก็เลยกราบลูกชายเลยโอ้อาศาจารย์มากหนาะลูกเก่งมาก ก็เลยกราบลูกชายเป็นหนที่สองทีนี้มาบาดนี้คือตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแสดงยมกกะปาฏิหารข้าพระองค์เห็นปาฏิหารที่ยังไม่เคยเห็นก็เลยกราบพระบาทของพระองค์กราบนี้หมายถึงกราบเท้านะนี้เป็นกราบเป็นการกราบของข้าพระองค์ครั้งที่สามทีนี้เมื่อพระเจ้าสุโทธทนะเนี่ยถวายบังคมแล้วเจ้าสกยะองค์หนึ่งก็ไม่อาจจะดํารงนิ่งอยู่ได้นี่นะคือ พระเจ้าสุโธทนะเนี่ยเข้าเป็นพระราชานะเขาตำแหน่งพระราชาพระราชากราบแล้วบริษัทที่เหลือทำไงก็เลยกราบกันหมดเพราะฉะนั้นประยุรยาต์ทั้งหมดก็ถวายบังคมพระองค์ก็เลยเสด็จลงจากอากาศเนี่ยนะบนบรวรพุาาทธาธิปูราัเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วภาพรประยุรญาตก็ได้ประชุมการแวดล้อมทั้งหมดมีใจแน่วแน่อยู่ทุกคนเจริญพุทธคุณหมดเลยเนี่ยนะ โอ้โหพุทธเจ้านี่น่าอัศจรรย์มากนะเจริญพุทธคุณกันจิตสงบกันหมดเลยเขาบอกว่าลำดับนั้นมหาเมฆก็ยังฝนบกครพัตให้ตกลงมาเนี่ยนะน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ําฝนสีแดงเสียงเนี่ยสู้ซ่าไหลไปลงที่ลุ่มผู้ต้องการให้เปียกก็เปียกเนี่ยนะฝนนั้นไม่ตกต้องกายของผู้ที่ไม่ต้องการให้เปียกแม้แต่หยดเดียวเออฝนแปลกมากก็เลยฝนบกครพัตเนี่ยนะ เรียกว่าตกใครอยากให้เปียกก็เปียกไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกพันปวงชนที่อยู่ในนั้นก็อัศจรรย์กันหมดภิกษุก็เลยพูดกันว่าโอ้น่าอัศจรรย์โอ้ไม่เคยมีอนุภาพของพระพุทธเจ้ามหาเมฆจึงยังฝนบกครพัดเห็นปานนี้ให้ตกในสมาคมแห่งพระประยุรยญาตพระพุทธเจ้าพอได้ฟังอย่างนั้นคือฟังพิกษุเขเขายกย่องอย่างนี้นะ ก็เลยถามว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนาพูดถึงกันด้วยเรื่องอะไรพิสูจก็กราบทูลว่านะกราบทูลให้ทรงทราบที่เล่าถึงเรื่องความอัศจรรย์พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่มหาเมฆยังฝนบกกระพัดให้ตกลงนะแม้ในการก่อนเรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มหาเมฆเห็นปานี้ก็ยังฝนบกกระพัดให้ตกลงใน ญาติสมาคมเหมือนกันเนี่ยนะคือฝนที่ตกแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งมีเนี่ยนะในอดีตชาติเนี่ย ก, ก็ตกแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนะพิสูจนทั้งหลายก็เลยบอกว่าในการไหนพระเจ้าข่าก็ถามนะเขาบอกว่าในการนันเป็นอดีตสม้พระเวสสันดรอนนันพระองค์พิสูุก็เลยอาราธนาให้นํามาแสดงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็คือแสดงเรื่องพระเวสสันดรเนี่ย พระองค์ก็อาศัยคํามาลาธนาของพระพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยนะที่อาศัยเรื่องฝนโบกพระพักเนี่ยพระองค์ก็เลยแสดงที่เรียกว่าพระเวสสันดรชาดกเนี่ยนะที่เล่าไปทั้งหมดเรียกว่าเป็นเรื่องราวโดยโดยประมวลเนี่ยนะภาพรวมของของพระพุทธเจ้าเหมือนนเถอะภาพรวมของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ปรารถนาทางใจปรารถนาทางวาจาแล้วก็ได้รับพุทธปยากรมาแล้วก็บําเพ็ญบารมีพบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าพ ประวัติโดยย่อเนี่ยนะจนมาถึงเหตุการณ์ว่าที่แสดงพระเวสสันดรเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลก็คืออาศัยฝนบกครพาพเนี่ยแสดงเนี่ยนะที่น่าสังเกตว่าพระเวสสันดรชาดกเป็นชาดกที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์หลายเรื่องเช่นว่าแผ่นดินไหวเนี่ยนะเจครั้งในในสมัยที่พระองค์เป็นเป็นพระเวสสันดรเนีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งเจดครั้งด้วยกัน แล้วก็เป็นการให้ทานนับว่าอุ ก, กรฤตมากเนี่ยนะให้ทานอย่างอุ ก, กรฤตอย่างสูงมาก